มันอยู่นะอารมณ์ทั้งปวงมีโลกของโลกิยะประตูกรรมคุณแล้วก็ทำงานทำการหาเงินหาทองใส่สตังใช้ธนบัตรชำระหนี้เด็กตามกฎหมาย ทำและนี่ได้ตามกฎหมายเราก็จึงต้องหาเงินหาทองกันเท่าไหร่ก็คงจะไม่พอใช้จนใจใจสติใจปัญญาเกิดจากความรู้สึกตัววิชากรรมฐานสตางเกิดจากอาชีพวิกรรม สถาปัจจกรรมอุตสาหกรรมนวัตรกรรมต่างๆเมืนกจึงตรงไปตรงมาองค์สรเม็จจำมาจาจบหลายศาสตร์ที่แปดศาสตร์ท้า้สุดท่านก็ถอยกลับมาหาตัวเองวชาชการต่างๆ เป็นความสะดวกเป็นความสบายแต่ว่ามันไม่ได้ความสุขอย่างแท้จริงในชีวิตของเราไม่เห็นดังนั้นเกอกสแสวงหาค้นหาจนพบการฝึกสติเจริญสติปัฏฐานสเห็นกายตามความเป็นจริงเห็นจิตใจตามความเป็นจริงเห็นจริงๆ หลวงปุเทียนก็นเช่นกันเป็นก้าบาดี <Yeah. S 2> มีเรือสำเภา <Yeah. S 2> ทำบุญทำทานมากสร้างบ่อสร้างวิหารต่างๆถอดกระถินเียงห้ากอง <Yeah. S 2> ตายสุดยังมีความโลภความโกรธความหลงอยู่ <Yeah. S 2> ก็สะดุดใจเริ่มต้นเคลื่อนไหวรู้สึกตัว สองวันมีความสำเร็จมันถึงเวลามันเหมือนกันเราเราก็เหมือนกันกว่าจะมารวมตัวกันอยู่ที่นี่ก็ผ่านประสบการณ์ร้อนหนาวกันมาความทุกข์ก็เคยผ่านความสุขก็เคยผ่านสุขสุขทุกทุกทุกทกสุขๆุคุมดีคุมร้ายจะมางทีมนจะจับสนแล้วก็งง แต่ท้ายสุดมันก็มีทั้งออกว่ามันบุรุษนในบอกได้กล่าวเราก็เงียหูฟังถึงยังทําไม่ได้เงียหูฟังไว้ก่อนพ่อบอกแม่บอกผู้นำชาวบ้านต่างๆในชุมชนของเราที่เราเคยอยู่เคยอาศัยไปลรําไปเรียนก็มีเพื่อนแท้ก็มีเพื่อนเทียมก็มีคนพานก็มีบัณฑิตก็มี เราก็ผ่านประสบการณ์แบบนั้นกันมาบันเดียนในตัวคนผ่านในตัวบางทีเราก็เรียนถูกก็เรียนเรียนผิดก็เรียนแต่ท้ายสุดเราเลือกเป็นตรงที่ว่าชีวิตไม่ถึงไหนมีวัตถุลหน 1, 2, ึ่งสองสามบุคคลหนึ่งสองสามล้อมหน้าล้อมหลังแต่เราก็ไม่มีความสุขท้ายสุดเราเห็นล่องเห็นรอยบางกลางบางคราว จิตใจอเราเป็นปกติเฉยๆไม่อยากจะไปยุ่งคบค้าสมาคมกับใครอยากอยู่คนเดียวเงียบ ๆ, ๆบางทีก็ใส่พรทโทหนึ่งสองสามเหมือนกันต้นไม้ใบหญ้ารดน้าอยู่คนเดียวทำงานสนานาการณ์อยู่คนเดียวอาชีพที่ชอบอยู่คนเดียวในมุมของตนของตน บางทีกันเนี่ยนั่งเล่นๆดูลมหายใจทำวัดสวดมันบางทีก็เหมือนกับว่าไปตายอาดับหน้าไม่รู้จะไปทิศทางไหนเคยเป็นไหมอาการอย่างนี้ออกจากบ้านไปก่อนอเดี๋ยวไปไหนก็ว่ากันผมนรธรรมมาเคยเป็นอารมณ์แบบนี้ขับรถนงั้นไม่รู้จะไปทิศทางไหนแต่เอ อ, อกจากบ้านไปก่อน ซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างก็สมบูรณ์แบบแต่ว่าใจเราอยู่ไม่ได้อะไรวะครับที่อยู่ได้กับใจอยู่ยากมันก็เห็นล่องเห็นลอยในท้ายสุดก็คือเจะออกไปไหนก็ตามมันก็ไม่ใช่นให้กลับมาหาลมหายใจลมกําลังเข้าลมกําลังออกกระทบสัมผัสที่ปลายจมูกความสั่นสะเทือนในการที่เราขับรถขับเรือนมันลงหลมุมมันใจมันกวาน ใจิตใจที่จดจอ่ออยู่กับอารมณ์ที่เป็นปัจจุบันเฉพาะหน้าเฉพาะหน้าเราก็รู้สึกมันอยู่ได้อยู่กับตัวเองนึกถึงวันที่ เ, เคยเจอกับหลวงพ่อคำเขียนท่านชี้เรื่องความรู้สึกตัวมันเห็นร่องเห็นรอยแบบนีน้เคยได้ยินได้ฟังมันก็เลือกมาถึงเวลาจนใจจนตรอกยัง ก, กลับมาหาความรู้สึกตัว บางทีมันกลับมาหาความรู้สึกตัวมันก็อยู่ความคิดปัญหาเก่าๆความทุกข์เก่าๆมันก็มีความรู้สึกเออหลับใจหลับใจไม่ต้องไปคิดมันหรอกมันก็บอกตัวเองแบบนั้นพอหลับแล้วมันก็ตื่นมามันเออมันก็เรื่องราวที่เกิดเหมือนกับฝันไปเออนไม่ใช่เนี่ยชีวิต่องเรามันอยู่ตรงนี้เนี่ยมันสอดชื่นขึ้นมามีพลังขึ้นมาแจ่มใสขึ้นมา มันก็กลายเป็นว่าตอนหลังปัญหาก็จะหลบไปนอนมีนาก็จะหลบไปนอนนี่นิดๆหน่อยๆ อ, อันนี้ก็หมายถึงว่ามันก็แก้ปัญหาไปตามสเปสสปะแต่พอมารับรู้หลักการมารับรู้เรื่องราวจากผู้รู้เช่นหลวงพ่อมเขียนอย่างเงี้ยท่านก็ให้กลับมาอย่างเดียวเลย การเคลื่อนการไหวก็ต้องสัมผัสรู้สึกเดยายพ่อรูปแบบสิบสี่จังหวะเราก็เลยนะฮะได้ซักซ้อมได้ฝึกหัดต่อยอดตุก๊กังที่เขาบอกว่าเออกลับมาสิมีปัญหาอะไรกลับมารู้สึกตัวสิคิดไปอดีตคิดไปอนาคตคิดไปวิพาทพิจารณากลับมารู้สึกตัวสิท่านก็ตักเตืนอนเราตุ๊กั้งที่ไปเล่าปัญหาต่างๆให้ฟังท่าก็บอกอะรู้สึกหรือเปล่า เราก็อ๋อความรู้สึกตัวมันสำคัญข น, นาดนั้นใช่หรอือจริงหรือเปล่านนาแล้วก็ฝึกหัดดูตายตัวเขเริ่มเห็นเข้าโครงเรือนเรือนลางลางมันค่อยๆชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นมาอ๋อทุกครั้งที่กลับมารู้สึกตัวมันมออกมาจากความคิดจิตทํางานได้ตีละขณะเนี่ยมันออกมาจากความทุกข์พอจิตทํางานได้ตีละขนะดมันมารู้การเคลื่อนการไหว แล้ววัตถุเพราะความคิดเนี่ยพอมารู้สึกตัวที่กายมันมาสัมผัสรู้ที่กายเป็นวัตถุรูปธรรมอมนออกมาจากความคิดซึ่งเป็นนามธรรมมันออกมาจากนามรูปมาอยู่กับรูปนามมันก็เริ่มเห็นแล้วว่าอ๋อมันมีรูปนามมีการเคลื่อนการไหวตรงนี้แหละมันก็เริ่มเหมือนกับว่าเอออบอุ่นใจมันก็เริ่มมีทัพภายในไม่จนใจ ัวลาคิดไปมันจนใจกลับมาหาความรู้สึกตัวพอมีความรู้สึกตัวต่อไปมันคิดมันก็คิดแบบเป็นปัญญามันก็คิดแบบมีเหตุมีผลถูกต้องตรงตามความเป็นจริงถ้ามันจะคิดคิดแล้วก็พูดคิดแล้วก็ทำแต่เมื่อก่อนมันคิดแล้วก็เกิดจากการที่เราไม่ได้ตั้งใจคิดมันคิดมาเอง ดืมน้ำสักแก้วความคิดก็หล่นลงไปจะนั่งจะเดินจะยืนจะนอนมันก็ความคิดหล่นลงไปจะรับประทานอาหารความคิดก็หล่นลงไปก่อนนอนยิ่งคิดมากเลยนอนไม่หลับบางทีหลับก็ฝันไปนอนก็ไม่อิ่มตื่นมาก็เพลียไม่แจ่มใสไม่ผ่องใสไม่มีพลักํำลังไม่เกิดความขยันตื่นตัวขึ้นมาพร้อมที่จะทำหน้าที่การงาน เราก็เห็นแล้วอ๋อความรู้สึกตัวมเกิดพลังขึ้นมาจริงจริงเวลานอนก็นอนหลับสบายตัดความคิดลงไปเลยปิดสวิตหลับปุ๊บเนี่ยมันไม่พลิกซ้ายพลิกขวาพลิกไปพลิกมาตอนหายใจดูนาฬิกามเมื่อไหร่เช้ามันไม่มีอันถึงเวลานอนก็นอนหลับหัวถึงหมอนก็ลับไปเลยมันก็เปลี่ยนไปนเวลาทานอาหารฉันนาหารก็เออรู้สึกว่าเป็นการเป็นบัติธรรม รู้สึกว่าเออมันไม่ใช่การกินนะหรือว่าการที่เราจะหาความสุขจากการกินมันก็ไม่ใช่มันเหมือนว่ารับรู้รสชาติอาหารรู้จักความรสเปรี้ยวหวานมันเค็มแต่ว่าไม่ใช่เอาเป็นความพอใจไม่พอใจอร่อยอยู่ก็รู้ว่าอร่อยอยู่แต่ว่าไม่ใช่อยากจะกินต่อนะรู้จักพออะไรประเภทนี้มันก็มีการปฏิบัติธรรมกับการทรํากิจกรรมทุกๆกิจกรรมนะ เนื่องจากการเคลื่อนไหวในรูปแบบมันมีความชัดเจนขึ้นมาเวลาจะพูดบางทีมันก็เหม่นน้ำไหลไฟดับเหมือนเมื่อก่อนนูน่นถ้าจะพูดขึ้นมาบางทีมันก็มีการตัดเมื่รู้ทันเออมันมากเกินไปมันก็ตัดตัดให้เราการใช้กายใช้วาจาใช้จิตใจมันก็รู้จักความพอดีขึ้นมาเพราะนั้นบางที กันที่เราเรียนรู้โรคกว้างมันก็ยังไม่ได้คำตอบพอมาเรียนเรียนรูนะ้คือตัวเราเองนะก็เริ่มที่จะเห็นชัดเจนขึ้นมาโลกตั้งกเกิดจากความคิดของเราทั้งหมดนะั่นแหละคิดแล้วก็พอใจคิดแล้วก็ไม่พอใจโลกของความคิดนะโลกของจิตวิญญาณนะเป็นโลกที่พ่อก็ไม่ได้บอกแม่ก็ไม่ได้ชี้โรงเรียนก็ไม่ได้สอน ปลาก็ยิงไปกันใหญ่เราก็ไม่ค่อยชอบมีแต่ธุรกิจบนพระพุทธภาณนนิดขึ้นมาแต่พอฟังหลวงพ่อเขียนหลวงปู่เตียนเราก็เห็นว่าโอ้มันเป็นเรื่องที่เราทำได้จริงๆเป็นพษษืชสัตนะที่มีอยู่ในตัวเราเวลานั่งเจ็บปวดเมื่อยนะมันก็อยู่ในตัวเรามันคืออะไรเราจะเกี่ยวข้องเขายัางไงเอามาเป็นความทุกข์หรอเวลามันโงกขึ้นมาจะทำยังไง เรากลับมารู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตั ว, ก, ตวก็ผ่านพอเราเห็นว่โอมันมีตัวผ่านอยู่เป็นตัวปัญญามันพาเราพ้นทุกพ้นไปขนาะเคลื่อนไหวนะวก็รู้การเคลื่อนไหวกายเคลื่อนไหวใจก็รู้จิตใจมันเคลื่อนไหวใจแล้วก็รู้เวลามันมีทุกเกิดขึ้นมาทางกายรูปทุกเราก็เห็นนี่มันได้สัมผัสอยู่ เวลามันเกิดขึ้นมาที่จิตใจของเราเนี่ยเราก็เห็นมันได้สัมผัสกันอยู่มันจะเป็นตัวสัมผัสแล้วก็รู้สึกนะสัมผัสรู้สัมผัสรู้สัมผัสรู้เป็นตัวเดิมตั้งแต่เราฝึกหัดเบื้องต้นนะสัมผัสแต่ว่าบางทีเราเข้าไปอยู่ในการสัมผัสหรือว่าเราดูการสัมผัสตรงนี้อหาขณะที่เราเข้าไปอยู่การสัมผัสแต่เป็นสัมผัสที่มันเป็นกลางๆไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์ไง เรียก่าอัปยากตาธรรมธรรมที่เป็นกลางๆตัวนี้ก็ทําให้จิตของเรามันค่อยๆเข้าหาความเป็นกลางความเป็นปกติแต่ถ้าไปอยู่กับสุขจิตมกักจะจะไปอยู่กับสุขยึดสุขพอเขาไปอยู่กับทุกข์มันก็เข้าไปรู้ทุกข์แล้วก็ยึดทุกข์มันไม่ใช่เห็นมันไม่ใช่ดูแลเห็นเห็นแล้วไม่เข้าไปเป็ น, นนะมันก็เริ่มแยกได้สภาวะที่มันเพ่งจ้องจี้มันเผลอไปรั้วกลางๆสมดุลเนี่ย การเคลื่อนมือเคลื่อนไม้อารมณ์ถิ่มเกิดขึ้นมาเป็นผลข้างเคียงเป็นปรากฏการณ์ที่นะปฏิกิริยามันตอบรับวลาเราวางใจมากไปน้อยไปอย่างเงี้ยนะเหมือนกันการที่เราจะหยิบดินสอแล้ว่าหยิบปากกันมาเขียนหรือนะว่าจะทํางานฝีมืออย่างเงี้ยนะมันมีความพอดีของมันเราก็สังเกตไปเรื่อยๆก็เห็นแล้ว ตรงนี้คือสบาวะของความเป็นกลางความพอดีอย่างนี้มันก็เริ่มกระตือรือร้นขึ้นมาพอมันเริ่มเลือกเป็นขึ้นมายุคนี้มีมนุษย์บางกลุ่มตามข่าวสารก็มูลก็เริ่มแสวงหาโลกที่ไม่ใช่โลกมนุษย์ใบเนี่เริ่มออกไปในดาวดวงอื่นในระบบสุริรยะจักรวาลเช่นดาวอังคารเป็นต้น ข่าวท้ายสุด อ, อกวาว่าตอนนี้เรามีมนุษย์บางกลุ่มเริ่มไปจับจองที่บนดาวอังคารใช้ยานที่ราพยาณอวกาศนเราใช้จำนวนกินมหาสาลที่โลกใบนี้สมมติบรรยัติขึ้นมาแล้วก็ใช้สิทธิอํานาจของเงินนี่แหละแล้วก็จับจองที่นั่งในยานอวากาศแล้วขึ้นไปบนดาวอังคารจับจองที่ได้ก็เดี๋ยวลองตามข่าวกันอีกทีหนะึง ซึ่งกําลังเป็นข่าวทางนาซาที่ออกข่าวมาลักษณะนี้เราฟังดูแล้วก็โอ้เนาะมนุษย์จะแสวงหาโลกไหนกันอีกในเมื่อการบรรลุธรรมยืนในโลกใบเนี้ยธรรมะโล่งสมเสร็จสำมาสำมเจ้ากุบัติมาแล้วในโลกใบนี้ซึ่งเป็นโลกมนุษย์มีสุขให้เราได้เรียนรู้มีทุกข์ให้เราได้เรียนรู้ยไงท้ายสุดก็เกิดการปล่อยวางกันไปยิ่งเมื่อ เราเห็นว่าความคิดไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเห็นมมันดับไปต่อหน้าต่อ ต, อตาคิดดีขนาดไหนโครงการดีขนาดไหนมันก็เหมือนกับก่อทะเลทะเลทรายก่อทรายที่ชายทะเลแล้วก็คลื่นมันซัดแล้วก็ละลายหายวับไปอย่างเงี้ยความคิดของเราก่อมา เริ่มต้นมาขยายผลจนกระทั่งมีความสำเร็จในความคิดในสมองแต่ท้ายสุดมันก็ไม่ใช่ความจริงคิดว่าทำอาหารแต่ว่าเราไม่สามารถรับประทานอาหารในความคิดในจิตของเราได้ถ้าเจ้าร้านรับประทานได้ก็หมายถึงว่าเราจิตนาการจนกระทั่งเหมือนกับว่ามันสร้างภาพขึ้นมาเป็นรอยบุญอย่างี้นะมันก็จะเกิดภาคทิพย์ขึ้นมาเรียกว่าอิ่มทิพย์นะเป็นความสุข ภายในจิตใจของเราที่เราสร้างภาพขึ้นมาความภาคภูมิใจรองรอยความดีหรือว่าความหวังที่เกิดจากการปรุงการแต่งอันนั้นเป็นลนักษณะของอารูปอารูปราคะก็คือมันเป็นราคาที่เกิดมาจากการคิดถึงจะคิดดีขนาดไหนก็ตามกไปได้แค่บรรดาแค่พรมมันเป็นความคิดดังนั้นเวลาเราไปฏิบัติตมเราก็เห็นอ ไอตัวร่องลอยความคิดเนี่ยมันเป็นแค่นะปฏิกิริยาอาการที่เป็นธรรมชาติของจิตเฉยๆนะมันไม่ใช่ตัวสติอย่างเงี้ยสติมันเป็นตัวปกติที่เราเลืกรู้อาการต่างๆทั้งหมดนะเพราะสติจึงเหมือนรอยเท้าช้างเหมือนรอยเท้าช้างทีนะ่องค์สมเด็จสมมาจ้ามีการเปรียบเทียบไว้ตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วเราก็รับรู้รับทราบนะตรงนี้มันมีจริงๆมันเป็นลอยใหญ่ที่สุด ที่มีอยู่ในชีวิตของเราในจิตในใจของเราความรู้สึกตัวแต่ละขณะแต่ละขณะแต่ละขณะที่สะสมมาไว้นะจนเป็นมหาสติปัฏฐานนะจนตั้งตาในนะมันวองไวเป็นไววิปติภานจริงๆก็จะรู้เท่ารู้ทันอาการที่เกิดขึ้นมาเป็นรอยเล็กๆนะทาที่เป็นกุศลทาที่เป็นอกุศลอย่างเงี้ยเราก็เลยเลือกเป็นนะเป็นการใช้ชีวิตจริงๆไม่ใช่ชีวิตบัรจัยเรานะเรามีกายใช้ กายเมื่อเกิดคุณค่ากันไหเรามีจิตใจเราใช้จิตใจมันก็เกิดคุณค่าขึาา้นามาเรามีอาการที่มันคิดเราก็หยิบความคิดมาใช้กเกิดคุณค่าขึ้นมาถ้าถ้าหาความมันใช้เรามันฆ่าเรามันฆ่าคุณมันไม่ใช่คุณฆ่าหลายคนกันเลยนะโดดตึกตายฆ่าตัวตายกินยาตายนะพยายามเทำอะไรสักอย่างให้เกิดภพชาติใหม่ขึ้นมาปฏิเสธปัจจุบัน ปฏิเสธความจริงที่มังลองปรากฏเสื้อผ้าเก่าก็ทนอยู่กับมันไม่ได้ต้องซื้อชุดใหม่ขึ้นไหมรถกันเก่าก็ใช้ไม่ได้ต้องซื้อคันใหม่ขึ้นไหมบ้านหลังเก่าก็ซ่อมแซมบำรุงใช้มันไม่ได้ก็สร้างหลังหลังใหม่ขึ้นไหยมันเลยเป็นเรื่องของนะไม่รู้จักซ่อมแซมใช้ <c oughs> มีแต่ของใหม่ของใหม่เวลาทุกใจขึ้นไหมก็เออพลิกจิตเนี่ย แทนที่จะปฏิบัติตามฆ่าตัวตายอย่างเงี้ยไปหาจิตวิญญาณดวงใหม่ซึ่งไปเป็นอะไรก็ไม่แน่ใจแต่ที่แน่ๆก็คือไม่ได้ว่าเป็นมนุษย์เหมือนเก่าหรอกคงจะไปเกิดในภพภูมิที่มันต่นําเพราะขนาดตัวเองฆ่าตัวเองได้ทาไปฆ่าตัวเองก็ต้องฆ่าคนอื่นโดยกายวาจาจิตใจต่างๆมันก็เป็นบาปเป็นกรรมมันไม่เป็นธรรมชาติที่ทุกค น, นมีความตายเป็นเรื่องหน้าแล้ว ข้อหมายชีวิตก็คือความตายที่เกิดความเสื่อมทรุดโทรมทางสังขารธาตุขันต่างๆทนอยู่ไม่ได้ไท้ายสุดต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายมันไม่มีใครตายเลยที่ไม่เคยผ่านการเจ็บการป่วยมาในชีวิตมันไม่มีเพรา ะ, ะนั้นก็ควรเอาการแก่มาเป็นการศึกษาความเจ็บป่วยไข้ต่างๆมาเป็นการศึกษาการที่น จิตมันเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดแก่เจ็บตายนี่เอามาเป็นการศึกษาเจ้าต้องมาได้คําตอบในโลกมนุษย์ใบนี่ยไม่ต้องแสวงหาโลกไหนใบไหนต่อไปเปลี่ยนโลกิยะเป็นโลกุตละเห็นความจริงของโลกแล้วก็เปลี่ยนข้างในเขาวนวายเราไม่วนวายเขาสับสนเราไม่สับสนเขามีปัญหาเราไม่มีปัญหาก็ไม่รักเราเราลักเขาเขาไม่เมตตาเราเราก็เมตตาเข้าไป นึ่งได้เฉยได้คอยได้ร้อได้นะวันหนึ่งก็น่าควนะ า, ามรู้สึกตัวมันจะทําให้เราได้คําตอบอย่างนี้นจริงๆนะโดยเพราะวันนี้ก็ได้นะวันทีนะ่เป็นวันของเราตื่นขึ้นมาแล้วก็มีลมหายใจมีชีวิตชีวาอยูนะ่มีการทําวัสวดมันตนะ์มีรู ป, ปรขันของเราที่พร้อมนะจะให้เราได้เรียนนะเป็นพ่วงแพรที่พายสู่ฝั่งพระนิพพาน ก็คือฝั่งของความเป็นปติสุขนะหรือเรียกว่าความสุขเกษมสารก็ได้ไม่ใช่สุขเผาสุขจีสุขที่ต้องอีกามิตรเดี๋ยววันนี้ต้องไปหาดูวันนี้ต้องไปหารับ ป, ประทานอาหารของอร่อยๆเดี๋ยววันนี้ต้องไปหาฟังคนนั่นคนนี้คนนู้นประสนทนาโทรศัพท์จนสายไหมหูอื้อนะหรือว่าไปหาสัมผัสที่อ่อนนุ่มอ่อนโยนนะไปนวดไปคลึงไปเค้านะมันก็เป็นการสแสวงหาแบบโลกโลก เราก็ใช้การสัมผัสของเรานะการกระทบนีโดยว่าสันมือเนี่ยมีจุดตื่นรู้เยอะนะไม่ได้พูดเองนะผู้รู้ก็บอกไว้นะแปดแผ่นจีนต่างเนี่ยสันมือเนี่ยลายอะไรเนี่ยระบบประสาททั้งนั้นจุดตื่นมากมายเหลือเกินนะเราก็กระแทกนวะดเกึงสัมผัสให้เป็นความรู้สึกตื่นให้มันก็ทำเหมือนว่าความรู้สึกตัวมันทั่วสารพรางกายนะไม่เฉพาะจุดใด จ, จุดหนึ่งคิด ก็รู้สึกตัวอาเงี้ยอารมณ์อะไรเกิดขึ้นมาก็เราก็รู้สึกตัวกลับมาเป็นกลับมาเป็นมันก็ได้หลักธทำหลักที่เร า, เาลงมือกระทําแล้วจนเกิดธรรมชาติขึ้นมาภายในก็คือใจเป็นปกติร่างกายจะนั่งแล้วก็รู้สึกตัวจะเดินเราก็รู้สึกตัวเป็นปกติจังทางเหมือนกับว่าเปลี่ยนทุกข์เป็นไม่ทุกข์นั่นแหละนเปลี่ยนความทุกข์เป็นเรื่องของเห็นเหตุแห่งทุกข์แล้วก้กาวล่วงออกจากความทุกข์เป็นเี่ย มันก็เริ่มที่จะจานานขึ้นมาตกกั้งที่เราระลึกได้กลับมาหาตัวเองนะหรือว่าหลงไปจนกระทั่งเหมือนกับว่าไม่ไม่หลงจนทุกข์มากฝาเก่านะเพราะว่าสัมผัสที่กายเนี่ยนะมันเป็นตัวช่วยเป็นเครื่องช่วยนะเป็นหลักของกรรมฐานเบื้องต้นเลยการเห็นกายในกายไม่ใช่สะตัวตนบุคคลเราเขานะก่อนที่จะเห็นกายในกายคือมีสติเห็นกายตามความเป็นจริงเนี่ยนะนะ กายเคลื่อนไหวอยู่รู้สึกตัวอยู่มันไม่ต้องเห็นดุนก้อนจะต้องเห็นกายในกายกายที่เป็นความรู้สึกมีสติอยู่เห็นกายเห็นเวทนาในเวทนาคือเห็นเบนาที่มันเจ็บปวดเป็นสุขเป็นทุกข์กับกายกับจิตนแต่มีสติรู้อยู่เห็นธรรมเห็นจิตในจิตเวลาจิตคิดไปต้นไม้ใชิของจิตก็คือเวลามันคิดว่าไหวไปเมื่อก่อนเราไม่เคยเห็น จที่เป็นปกติที่มีสติอยู่กับจิตที่มันแวบคิดแวบคิดแวบคิดนะซึ่งเป็นอาการจิตเดิมแทมประพัฒนสอนปองใสแต่เราไม่เคยเห็นมันอย่างเงี้ยตอนนี้เราเริ่มเห็นจิตในจิตจิตที่เป็นปกติกับจิตที่ไม่ปกติจิตที่มีสติกับจิตที่มันหลงมันเผลอไปแล้วกลับมามีสติเห็นจิตในจิตไม่ใช่สัตตัวตนบุคคลเราเขาอย่างเงี้ยเห็นธรรมเมื่อก่อนเราไม่เคยเห็นธรรมในธรรม เราเห็นแล้วเราก็หลงเพลิเข้าไปในธรรมชาติฟังเสียงแล้วก็หลงเข้าไปพอใจไม่พอใจตอนนี้เราเห็นธรรมในธรรมเราเห็นแล้วว่ามีสติอยู่แล้วก็รู้สึกกับการที่เราถูกกระทบสัมผัสนกับรูปเสียงกินรสธรรมอารมณ์ต่างๆมันกระทบสัมผัสกันมาภายนอกภายในเี้ยเราก็มีสติรู้อยู่ก็เลยเห็นธรรมในธรรมมันไม่ใช่สัตว์ตัวตนบุคคลเราเขาเี้ย มันก็เกิดดับทั้งหมดทั้งสิ้นเลแล้วแต่เหตุปัจจัยของเขาแล้วแต่จะเป็นไปนะเราก็เลยได้เหมือนกับว่ามีพัฒนาการขึ้นมายิ่งยิ่งขึ้นไปนะอยู่ในโลกโลกาจะเกิดโลกโลกุตระขึ้นมานะมันเป็นนะสิ่งที่เราทุกคนนะไม่เหลือวิสัยที่เราจะทําได้นะทําได้ทุกคนถ้ามีการรู้สึกตัวนะที่เกิดจากการเคลื่อนไบสิบสี่จังหวะ หรือว่าวิธีการใดก็เถอะแต่ว่าวัดป่าสุขตัวนังเสนอวิธีการแบบนี้ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อขึ้นมาถึงไม่เชื่อก็ต้องเชื่อขึ้นมาเพราะว่าผู้รู้บอกหลวงพ่อมเกล็นท่านบอกไว้หลวงพุทียนผู้รู้ท่านบอกเอาไว้หรือว่าแม้กระทั่งโอสมเด็จสมานเจ้าดันเตชี้เอาไว้แต่ว่าการละมาสูตร ค, คือสิ่งที่ไม่ควรเชื่ อ, อ น, นั่นเชื่อแบบโง่ลหลงมงมงายเชื่อแบบเป็นพิจิตธรรม เชื่อแบบไม่มีสติไม่มีปัญญานะมันก็เชื่อแบบเหมือนกับว่าไม่ได้สร้างสรรค์พัฒนาตัวเองขึ้นมานะไม่เห็นธรรมที่เป็นกุศลไม่เห็นธรรมที่เป็นกุศลนะคนอื่นชี้ก็ไม่เชื่ออันนี้เขาเรียกมิจฉาทิฏฐนะิมิจฉาทิฏฐิเราจะไม่เชื่ออะไรทั้งนั้นนะเราก็จะไม่ฟังอะไรทั้งนั้นแต่เป็นสัมมาติถิมจะน้อมเข้ามาใส่ตัวแล้วมาดูในตัวเรานะหรือว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นข้างนอกคนพูดเี่ยมันจริงไหมมันมีอยู่ในตัวเราไหมนะ มันเป็นศรัทธาสัมยุทธ์กันมานาี่เป็นศรัทธาที่เป็นเป็นศรัทธาก้าวหน้านะทาให้ชีวิตของเราไม่เหมือนกับว่าต้องแบกโลกทั้งใบนะบางคนนี่อยู่คนเดียวแล้วก็แบกโลกทั้งใบและท้ายสุดก็คือไม่ได้คําตอบของชีวิตนีต้องคาตัวตายไปต้องหนีโลกหลบโลกไปไม่ต้องเหมือนกับว่ามีบุคคลสองสามสี่หรือว่ามีวัตถุสองสามสี่ ก็นั่งนิ่งปลอมใจประเภทนี้เดี๋ยวเป็นโลกประสาทสนะตายโซเนเข้าโรงพยาบาลบ้าไปเป็นโลกของตัวเองไปอย่างเงี้ยเพราะเราจึงต้องอาศัยกัลยาณมิตรนะรำ ม, มาที่เราจะรู้ได้นั้นต้องอาศัยผู้รู้กัลยาณมิตรท่านพูดท่า น, านชี้แล้วก็ฟังด้วยจิตใจที่เป็นกลางนะไม่รีบสรุปไม่เชื่อแต่ไม่ปฏิเสธตัวนี้นะเสร็จแล้วใครคลวนใครครวรดูใช้เวลาสักนิดหนึ่ง มันใช่หรือไม่ท้ายสุดเมื่อสัจจะความเป็นจริงมันปรากฏแล้วก็อ๋อผลของการที่เรามีโยนิสมฆ์ราชการทําให้เราได้เห็นความจริงแล้วก็เป็นความจริงหนึ่งไปต่อสองสองไปต่อสามก็เรียกว่าแจกของสองตะเกียงกันเนะมื่อเรารู้สิ่งใดนะเราก็เหมือนก็ว่าบอกสิ่งนั้นข้างในเป็นงไงข้างนอกก็พูดไปอย่างนั้นอย่างนี้นะมันก็เลยรู้อ๋อผู้รู้ตีเตียนผู้ผู้รู้ท่านนะชี้ท่านนําอยู่นะ ครูาอาจารย์ที่ดีท่านก็ไม่ปิดบังอําพรางท่านก็พยายามบอกความจริงอย่างเงี้ยนะเราก็เลยเออน้องเข้ามาใส่ตนกันทุกคนก็จึงเป็นครูสอนกันธรรมชาติสรรพสัตว์สรส ร, ส, ร, ส, ร, ส, รสิ่งธรรมชาติทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเขาสอนให้เราได้รู้จักนะอยู่กับธรรมชาตินะแล้วก็ธรรมชาติก็ช่วยเราเราก็ช่วยธรรมชาติก็เกื้อกูกลซึ่งกันและกันอย่างเงี้ยเป็นต้นนะก็จึงเป็นเรื่องที่เราจะต้องกระตือรือร้นกันละนะ หลวงพ่อเขียนท่านก็ยังอยู่นะยังมีชีวิตมีลมหายใจอยู่แล้วก็สอบถามท่านนะถือว่าท่านเป็นผู้ที่รู้ราตรีนานนะท่านเคยผ่านสุขผ่านทุกข์มาก่อนถ้าใครไปเล่าความทุกข์ของเราให้ท่านฟังท่านจะเบรกทันทีนะหลวงพ่อเขียนนะโอ้ยในโลกเนี้เรื่องความทุกข์อย่ามาคุยอวดไม่มีใครทุกข์เท่ากับหลวงพ่อหรอกนะท่านก็จะตบอกนะโอยอย่ามาคุยเลยเรื่องความทุกข์นี้ ไม่มีใครทุกเท่ากับหลวงพ่อหรอกนี่ยเนี่ยเนี่ยเรู้สึกตัวรู้สึกตัวสิแก่ฝึกไม่แก่ฝึกไม่รู้สึกตัวรู้สึกตัวนะนี่มารู้อย่างนี้มารู้อย่างนี้กลับมาอย่างนี้กลับมาอย่างนี้ให้กลับมารู้สึกตัวเนี่แล้วเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนไปทั้งหมดลชีวิตนะรือบางทีนะียญาติโยมมาขอพร น, นะเวลาญาติโยมก็มาก็ไม่อยากปฏิบัติเนี่ย อยากฟังพระแล้วก็ให้โดนบันดาลมีฤทธิ์ที่ปฏิหารเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจจากทุกข์เป็นไม่ทุกข์จากจนเป็นมั่งคั่งเกินไหมขอพรหลวงพอ่อหลวงพอ่อขอพรหลวงพ่ อ, อก็จะบอกทันทีนพรก็คือนะมารู้สึกตัวเนี่ยกลับมาตัวเราเนี่ยแต่มีสติเนี่ยมันก็เปลี่ยนโกรธเป็นไม่โกรธนีเปลี่ยนหลงเป็นไม่หลงนีเปลี่ยนทุกข์เป็นไม่ทุกข์เนี่ยพรเนี่ยพรนี พรก็คือรู้สึกตัวเนี่ยก็ไม่รู้เขาฟังเขาใจบ้านะอย่างกลุ่มเร็วๆเนี่ยมีกลุ่มนั่งมากลุ่มใหญ่นั่งอยู่ตรงนี้แล้ก่อนกลับไปนะกลุ่มนักเรียนแลกเปลี่ยนเขาก็เข้ามาที่นี่กันนะทายเสือขอพอรหลวงว่าหลว ง, งพ่อเขพูดประโยชน์อย่างมาสักครู่หนึ่งแล้วนะให้กลับมารู้สึกตัวกลับมารู้สึกตัวมันก็เป็นพรนะเราทุกคนก็มีพร อ, อยู่ในตัวเรียบร้อยแล้วพรก็คือพระ เมื่อเรารู้สึกตัวจิตใจก็มีกําลังใจนะมันก็เปลี่ยนได้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยเรียกว่ายกนผูกเขาออกจากกบอะไรที่เคยทับอกเราปลอบออกทันทีนมันก็รู้สึกว่าเออเราก็สามารถพึ่งตัวเองได้เนี่ยเวลารู้สึกตัวรู้สึกตัวจะนั่งก็มีความรู้สึกตัวจะเดินก็มีความรู้สึกตัวเจะทําอะไรก็มีความรู้สึกตัวจนะท่านเคยมีคนหนึ่งนะโยม เขโทรมาบอกว่าเอ้ยอาจารย์แปลกมากเลยไม่เคยมารู้ว่าตามันกระพริบนะวันนี้รู้สึกทึ่งขับรถอยู่นะะปกติมันไม่เคยมาเห็นตากระพริบนะวันเนี้มาเห็นตากระพริบได้ด้วยอาบาก็โอ้นักคนเกิดมาจนปูนนี้แล้วไม่รู้ว่าตากระพริบใจไปอยู่กับความคิดนะไปอยู่กับนูน่น เรื่องสุขภาพไม่ดีโรคัยให้เจ็บไปอยู่กับนูน้นลูกล า, าลูกของเรานะมันมันลาออกจากโรงเรียนนะไปอยู่กับลูกของเราไม่ตั้งใจเรียนไปอยู่กับลูกเกเรนะมันมีแฟนมันเล่นโทรศัพท์มันเล่นอินเทอร์เน็ตนะไปอยู่กับลูกแบบนั้นนะไปอยู่กับสามีไม่เข้าบ้านสามีอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนู้นอย่างเงี้ยนะไปอยู่กับเงินเป็นหนี้เป็นสินนมีพอใชนะ้ผู้หญิงบางคนถึงกันกับว่า โทรมาบอกว่าโอ้จะทํายังไงเนี่ยเงินไม่พอใช้ขายก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ต้องขายตัวไปด้วยนยีรู้สึกเป็นทุกข์เหลือเกินส่งลูกเรียนอย่างเงี้ยมันก็มีขนาดนั้นไม่เอามาฝากบอกแฟนว่าการเคลื่อนการไหวของเราเกายของเราทุกๆุกขนาดนีมันเป็นหลักของธรรมะที่เดียวกันเห็นกายเนี่ยเคลื่อนไหวรู้สึกตัวรู้สึกตัวแล้วก็เป็นจุดเด่นวิธีการหลวงกูเทีนเนยนนะให้เคลื่อนมือสิบสี่าง้นงว้ ดีกว่านั่งดูลมหายใจซะมันเคลื่อนเองนะมันเป็นเป้าที่ละเอียดเป้าที่เล็กนะการยกมือสิบสี่ควาเป้ามันโตนะจิตเรามันก็เลยไม่มีพาล่าอะไรมากสติน้อยๆก็รู้ได้ของหยาบๆใหญ่ๆงนะี้ก็จึงต้องพากันปฏิบัตินะผู้พูดนะก็ปฏิบัติมาพอสมควรนะไม่ใช่ว่าอยู่ๆมานั่งพูดอะไรไปเรื่อยเปื่ยมันคงไม่ไดนะ้รับผิดชอบนะคำพูดนะท้ายสุด ก็หนะมายถึงว่าต้องเป็นจริงเดียวกันเนะมื่อวานเนะีนั่งคุยอยู่กับหลวงหลวงตะกลมเนี่ยแะกับหลวงพ่ออมเขียนเนะี่ยก็เห็นสังเกตหลวงพ่ออมเขียนที่เมื่อวานเย็นนะได้พูดไว้กลางแนะล้วว่าหลวงพ่ออมเขียนเนทะ่านก็ไหวนใครที่ไปพูดนะเรื่องอดีตนาโคตมากนะตอนไหนก็ตามท่านก็จะดูก่อนว่ามีสติจริงหรือเปล่าถ้าก็จะเตือนว่ากลับมารู้สึกตัวหรือเปล่านะแต่เราก็รู้ว่าเราพูดด้วยความรู้สึกตัวอยู่เพราะว่า มันเป็นเงของความคิดที่ปรากฏอยู่แล้วเราก็ย้ำหลายครัง้งแล้วใครควรหลายครัง้งแล้วอ๋อมันเกิดขึ้นมาแล้วอาจารย์กัมพลไปเมืองจีนหนึ่งอาจารย์กัพลไปเมืองจีนสองอาจารย์กัมพลไปเมืองจีนสามจนอาจารย์กัมพลไปเมืองจีนสี่จนมีความอืมมันย้ำ ม, มันย้ำชัดลอยเนี่ยน ะ, ะไม่พูดไม่พูดเลยว่า พ, พูดมาสักหน่อยจังหวัดที่ตามน้ำอย่างเงี้ยขนาดเราพูดแบบมีสติหลวงพ่อก็ยังเตือนอีกนะ ยังเตือนใช่ไหมหลวงพระคมของตะกมลมเราก็เตือนเมว่านว่าเออให้กลับมารู้สึกตัวนะอย่างเงี้ยนะเพราะฉั้นความรู้สึกตัวจึงยิ่งใหญ่พอสมควรนะการเคลื่อนการไหวของกายนะเราก็พากันฝึกหัดจนเรียกว่ามันชัดเจนนะนะชัดเจนจนเหมือนกับว่ามันอกมันใจจะไปไหนก็ไปแล้วค่ะเนี่ยจะนั่งจะเดินจะยืนจะนอนในโลกใบเนี้ย มันแก่มันเจ็บมันตายเลยตั้งใจอย่างนั้นก็เลยว่าเวลาตายเนี่ยมันน่าสนใจนมันเป็นกิจกรรมเป็นโจทย์ใหญ่ที่ช่องจเจ๋เลยแล้วเราก็ไม่รู้ว่าไอ้ที่เรามีข้อมูลความรู้องเราตัวรวู้งเรามันมีพลังพอที่จะท้ายสุดก็คือผ่านความตายหรือไม่อย่างงี้นะไอ้ที่เรารู้ว่าใช่ว่าใช่ว่าใช่ใชมันจะเจียงหรือไม่ตอนใกล้ตายนั่นแหละอาตมาว่ามันจะมีความตั้งใจมาก น, นลักษณะของ เวลามันมันมีความทุกข์มีอารมณ์มากระทบเนะี่ยมันก็ยังตั้งใจมากขนาดนั้นนะเวลานั่งแล้วเจ็บปวดเมื่อมันก็ตั้งใจรับรู้สิ่งนั้นนะขนาดนั้นมนะันจึงเชื่อว่าเวลาใกล้ตายนะศรัทธาโดยส่วนตัวนะเชื่อว่าไอ้สิ่งเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จะสอนบอกเราในท้ายสุดและเป็นคําตอบคําตอบที่เหมือนกับว่าตีตะโพปิดฝาลงไปเลยสติมันมีกําลังพอจริงหรือไม่ยังไงใ น, น ต, ตรงนี้เพระาะฉะนั้นใครมีอะไรดีๆแลกเปลี่ยนกัน พยายามบอกกันในเรื่องของอารมณ์ปฏิบัติถ้าจะสนทนากันในวันนี้นะก็ขอให้เป็นเรื่องของอารมณ์รูปนามอารมณ์รูปนามหรือว่าอารมณ์ที่เราปฏิบัติแล้วมันผ่านได้ผ่านได้ผ่านได้เพื่อเราฟังก็จะได้เหมือนว่าโอ้กระตือหรือล้นมีกำลังใจอย่างนี้นะอรจ้านี่เห็นว่าสมควรแค่เวลาเรากราบพรพ้อมกัน